พร้อมนะยงังวันนี้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของพวกเราได้ละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมเวลา3นาฬิกา53นาทีตี3 53นาทีของวันที่30จากนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา13วันการงานของพวกเราก็ไปได้ดี รู้สึกว่าให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ายื่นมือเข้ามาช่วยองค์หลวงตาช่วยพวกเราที่เป็นคณะสิทธิานุสิ์หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจในพี่น้องคณะสัตายาติโยมทุกหมู่เหล่าคือถ้าหากว่าจะเป็นท่านผู้ใดที่เป็นจิตญาณุสิทธิผู้ที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศลก็องค์หลวงตาไม่ต้องให้ขอร้องไม่ต้องให้อะไรขอให้เข้ามา ช, ช่วยกันงานนี้เป็นงานสุดท้ายของหลวงตาจริงๆหลวงตาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายศพนี้เป็นศีรษะของท่านก็เป็นศีรษะขั้นสุดท้ายท่านก็ไม่มาเกิดเอกแล้วเป็นขั้นสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่ได้เข้ามาศึกษาในองค์หลวงตาก็มาศึกษามากราบมาไหว้เคารพสักการะบูชาในศีรษะของหลวงตาเออ ขอให้พวกเราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความออสนใจให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจริงๆนะคณะสาญญาตัตยาดยอมโลกหลานเนาะจะเป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติของพวกเรานานเท่านานอย่าไปสักแต่ว่าทมให้มองตนเองมาอยู่เสมอคนอื่นคือคื อ, ค, อคนอื่นคนอื่นนั้นถึงเขาจะดีเขาจะเลวอย่างไงในโลกนี้มันมีทุกยุคทุกสมัย ข้อสำคัญให้พวกเรามองตนเองเออให้เสียสละเสียสละภายในใจถึงเขาจะโกโรธโกราให้แก่เราเราก็เอาใจดีรับ อ, อ, อย่าไปโกรธโกราให้แก่คนอื่นเขาอันนี้คือค อ, องค์ลวงตาท่านสอนพวกเราให้เป็นผู้อดทนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาทุกทุกคนพวกหลายคู่หลายคนจะให้มัน ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องประชาชนฉัตราญาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่ถึงยังไงกเจตนาดีเป็นหลักอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลก็องคหลวงตาอันนี้แหละ ค, คือหลักใหญ่ที่พวกเราอยู่ห่างไกลขนาดไหนก็ด้นดันเข้ามาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลก็องคหลวงตาถึงจะทุกข์ยากลําบากยังไงพวกเราอยู่ในบ้านในเรือนของเราสะดวกสบายแต่มาที่นี่รู้สึกว่าลําบากอะไรก็ไม่ปกติ อันนี้ให้เรานึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านยังเสียสละไปอยู่ในปา่าดงพงไผ่ถึงหกหกปีพวกเราคิดดูให้ดีดูสิว่านี่แหละบร ม, มครูของพวกเราเนี่ไม่ใช่สสแสวงหาความสุขสนุกสบายนะอแต่ว่ามาสร้างบา ร, รมีเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แหละองหลวงตาของเราแหะไปอยู่ดงพงไผ่เกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ไม่รู้ว่าหลายครั้งตัวหลายหน เพราะว่าเป็นไข้มาลาเรียยุคนั้นตามที่ประวัติองค์หลวงตาที่ท่านได้บอกกล่าวสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเรามาอยู่จัดงานในคราวนี้ถึงอย่างไรก็ยังมีน้ำประปาใช้ยังมีไฟฟ้าใช้ยังมีที่นอนไม่สะดวกไม่สบายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะขอให้พวกเราใช้ความอดทนทุกคู่ทุกคนเนะให้มาสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาควาพวกเราความคิดในใจของเราก็อยากให้มันขุนเคือง เวลามันจะคิดขุนเครื่องให้แก่ใครให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจ nah. นะเมือให้ใจเย็นเย็นเวลาจะคิดจะโกรธโมโหโกทาให้แก่ใครให้พุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้นะอย่างหลวงปู่แบรนท่านบอกนะหลวงปู่แบรนท่านบอกเวลาจะขึ้นกาศีระขององค์ลวงตาขึ้นสาลาทุกคนต้องประนมมือปนมมือกาวพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาแล้วก็กาศีระของดวงตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ อันนั้นคล้ายๆกว่าทำพระทักษิณแล้วว่าทํำด้วยความเคารพจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกลูกพวกหลานคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า เ, เมื่อเราผ่านไปแล้วเราเออเมื่อเราขึ้นไปกราบศีรษะของลงตา เ, เราก้าวเดินขึ้นไปพุโทโธพุโทโธอูใจของเราเย็นสบายใจของเราอยู่กับตัวเองแหละจิตใจไม่โมโหโตวสวยเกลียดใครเราปล่อยวางทั้งหมดในขณะที่เราขึ้นไปกราบองลงตาเขานั้นใจของเราสบาย แน่มันจะจิตติดใจเป็นนมนานทีเดียวหลวงพ่อว่านะขอให้พวกเราเจย์เดียนเนอร์ลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะมาทําบุญกับองค์ลุงตาเน่เราก็พร้อมการการนะพวกเราพอมีพอมเป็นไปแล้วก็เอา้าควรจะเสียสละแต่อย่างน้อยก็ให้มีสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีมาทั้งทีเอ่ไม่ใช่จะมาอยู่มากินมาเที่ยวเฉยเฉยนะเห็นมาสร้างบุญสร้างกุศลมาเสียสละถึงจะน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลจิต ต, ติดใจของพวกเราเป็นนานเท่านาน ไม่ได้ว่าคนน้อยแต่ทาน้อยคนมากก็ทํามากทําไม่ทําเฉลยอันนั้นตนําหนิหน้าตําหนินะมาถึงเนื้อหน้าที่ดีแล้วไม่หวานพื ช, ชเฉลยอันนั้นหลวงพ่อตําหนินะแต่ก็ไม่ตําหนิแรงนะตําหนิในใจเท่านั้นเองนะนะต่อไปแล้วพอในตะรีในนะอนุมโมทนาให้พอ